พระธรรมเทศนาแผ่นที่60ลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่14มิถุนายน2554มีชื่อเรื่องว่าเตรียมพร้อมก่อนเข้าพรรษาวันนี้เป็นวันวันอังคารที่14 มิถุนาพุทธศักราช 2,554 จากนี้ไปก็ไม่นานประมาณสักเดือนเดือนกับสองวันก็เข้าพรรษาและเตรียมพร้อมนะพวกพระจะช่วยกันดูเสนาชนะแต่นั่นเนิน่นหลวงพ่อเองทำบอกอะไร กล่าวอะไรแนะนำอย่างไรหลวงพ่อจะไม่ให้แบบสุกเอาเผากินแบบฉุกลลหกกุ้นวายใกล้ๆแล้วยังคอยทำหลวงพ่อไม่สบายใจเลยตับจะทํางานกับผู้ใดก็ตามพอใกล้ๆแล้วก็หลุดๆก็คักๆก็คักทาเข้าไปแบบไม่ได้เตรียมพร้อมไม่เนินถึงจะเสร็จออกมาหลวงพ่อก็ไม่สบายใจท้ายที่สมันสมบูรณ์หรือเปล่า เพราะหลวงพ่อไม่เคยทําอย่างนั้นทางทํางานกับหลวงพ่อแล้วต้องทําไปแต่เนิ่นๆ ๆ, ๆๆๆอย่างน้อยเสร็จไอยังเ อ, อี่ยอย่างน้อยสักเสร็จก่อนอย่างน้อยสักสองหรือสามวันเป็นอย่างน้อยได้หนึ่งอาทิตย์เนี่ยเสร็จแล้วนะตรวจดูเรียบร้อยหมดแล้วหมดแล้วพอแล้วหนะรือว่าเพิ่มเติมนิดหน่อยอันนั้นคือผู้ที่ทําผู้ที่ทํางานกับหลวงพ่อต้องเป็นอย่างนั้น หลวงพ่อเคยทำมาอย่างนั้นไม่ใช่วันนาทีสุดท้ายแล้วยังค่อยมาคิดทำทำออกมาแบบกระลวดกระลาดปิดปิดถูกๆออกมากระขายตัวเองอีกต่างหากนี่ก็ขอให้พวกเราทุกองนะพระอยู่ในวัดของเราหลวงพ่อบอกกล่าวแนะนำสอนเนะี่ยเพื่อพวกท่านทั้งหลายในอนาคต เพื่อจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าทําอะไรต้องคิดไว้เตนนิ่นเนืน่องจากนี้ไปก่อนเข้าพรรษาเราควรเตรียมอะไรไว้บ้างนอย่างก่อนสมัยก่อนครูบาอาจารย์หลวงปู่ล่านะ่ยท่านพอหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่ล่าท่านจะแนะนําบอกเพราะว่าหลวงปู่มั่นนะ่ยพอถึงเดือนหกเพนนนั่นนะ่ยท่านจะต้องไป ให้พระที่องค์ไหนจะจําบรรษาที่ไหนเนี่ยให้ไปดูสถานที่ไปแล้วว่าสมมุติว่าองค์นี้จะมาจำบรรษาที่เนี่ยวัดป่านาคำน้อยอเนี่ยแล้วก็มาดูเสนาสนะที่พักว่าจะพักหลังไหนกุฏิเป็นยังไงหลังคาเป็นยังไงฝาเป็นยังไงประตูหน้าต่างเป็นยังไงพื้นเป็นยังไงแล้วก็ทําความสะอาดจากนั้นก็ดู ที่ฉันอาหารศาลาเป็นยังไงหลังคาเป็นยังไงพร้อมไม้แล้วก็ดูที่ต่มน้าร้อนมีฟืนหรือเปล่าไม้กวาดมีเพียงพอหรือยังไม้กวาดปัดกวาดที่จะใช้ใล้ดูฝนเราจะใช้ไม้กวาดอะไรปัดลานวัดฟืนมีไม้ได้หลวงปู่มั่นท่านจะสอนพระอย่างนั้น หลวงปู่ล่าท่านพูดให้ฟังนะก็มีพระองค์หนึ่งเข้ามาพรรษาก็สิบกว่าพรรษามาหาหลวงปู่มันท่านก็ถามมาจากไหนมาจากโน่นจากนี้ปีนี้จําจะจำมรรษาที่ไหนจำมรรษาที่บ้านโคกกระโลงนั่นแหละหลวงปู่ล่าพูดนะพ่อเคยจำไม่ลืมโคกกระโลงที่ไหนก็ไม่รู้น่ะ หลวงปู่มั่นมันได้ไปดูสถานที่แล้วเปล่ายัางครับยังไม่ได้ไปดูคิดว่าจะจำํำราษาที่นั่นเท่านั้นแหละเหมือนกับราธนาหลวงปู่มั่นให้เทศชนาว่าการเลยสัต์เปียงเปียงเปียงเลยนะก่อนที่จะจําบรรษาคิดว่าจะจําบรรษาที่ไหนต้องไปดูสถานที่ พอควรจะจำพรรษาที่ไหนไม่ใช่จุดจู่จะเข้าไปเลยไปอยู่แล้วจะทํายังไงในพรรษาไม้กวาดก็ไม่มีปื้นที่จะต้มน้ําซักผ้าก็ไม่มีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหาปื้นที่จะมาสุมมาสิงไฟไฟใช้ไ ฟ, ไฟในพรรษาก็ไม่มีเพราะฟืนไม่ได้เตรียมมาไว้ฟืนฝนตกถูกแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นไฟไหมนะ่ะ เหมือนกับสมไฟก็ไปก็มีแต่ควันถุยถุยอยู่ตลอดนะ่ะหลังคากุฏิเป็นยังไงทำไมไม่ไปดูให้เรียบร้อยอย่างน้อยก็ไปดูสักก่อนจัดการให้เรียบร้อยสักก่อนจะไปที่ไหนยังค่อยไปจากเดือนพฤษภาเดือนเพนไนตวนเข้าพรรษาังค่อยไปพอดูไว้แล้วนะอันนั้นคือความรอบขอบ อันนี้ยังไม่ได้คิดไม่ได้ทําอะไรเลยจู่ๆเข้าไปไปจำพรรษาทํำยังไงทั้งที่จะไปภาวนาในพรรษาจะเล่งความภาคความเพียรในพรรษาแล้วจะไปทํำยังไงนี่แหละครูบาอาจารย์รุ่นเก่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนสิทธิ์ฟังดูแล้วก็มีเหตุมีผลนะแต่เช่ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรเป็นพระไม่เชื่อว่าเที่ยวเตะเล่ร่อนไปเรื่อย ถ้าอยไปภาวนาจะได้มักได้ผลจริงๆก็ไม่ว่ากันอันนี้ไปหากินข้าวต้มขานมวัดอื่นจนพอแรงจวนเข้าพรรษาอย่างเขาหลดขลาดประจําพรรษาแบบไม่ได้คิดได้อ่านอะไรถ้ามีครูบาอาจารย์จําพรรษาอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งแต่ถึงยังไงก็เข้าขัาข้นเอาเปรียบคนอื่นเขาเพราะตัวเองไม่ได้มาเตรียมพร้อมอะไรเลยไม่ได้มาดูอะไรเลยมาซุบมือเปิบพูดง่ายๆถ้าพูดอย่างนั้น แต่ครูบาอาจารย์หมู่เพื่อนเขาก็กงไม่ว่าให้หรอกแต่มันเข้าลักษณะกฎเกณฑ์อย่างนั้นถ้าเราไม่ได้มาช่วยมาดูมาแล่แต่ถ้าว่ามาดูมาแลมาจัดสถานที่พร้อมกันอันนั่นแหละแปลว่าผู้พร้อมไม่เอารัดเอาเปรียบหมู่เพื่อนเจากนั้นก็จำพรรษาประจํารษาก็ได้ความผาสุกเพราะอะไรเพราะต่างคนก็ต่าง เนได้เตรียมของใช้ไว้พอสมควรแล้วพอที่จะจำเข้เขาพรรษาได้ไม้โกง่งไม้กวาดก็พร้อมพอที่จะใช้ได้หรือว่าตกหรือหามาพร้อมแล้วที่จะอยู่จําพรรษานี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่นี่นถ้าเมื่อมาถึงมาเปรียบเทียบกับวัดเราทีนี่ขณะนี้น่ะเราควรทําอย่างไรก่อนที่จะเข้าพรรษามีพระ มากขนาดนี้แล้วคนพระเก่าก็ต้องช่วยพาพระใหม่ไปดูหลังคาเป็นยังไงไม้มันเฟื่ยมาบนหลังคาไหมมีมดต้นไม้มันมาติดหลังคาไหมหมดมันมาเข้าหลังคากุฏิไหมหลังคากุฏิเป็นยังไงมีใบไม้แห้งที่มันตกค้างในหน้าแล้งมันเต็มไปหมดใช่ไหมควรจะปัดกวาดออกใช่ไหม การปัดกวาดนั่นทำยังไงนี yeah. ่มันก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าปลุกปรับขึ้นมาเอาตัวอ้วนอวนขึ้นไปที่เหยียบสุ่ม 4, สี่ซุ่มห้าร่างกากระเบื้องตั้งกระซิบทะลุถล่มไปหมดปู้บี้ไปหมดเพราะความไม่เคยอ yeah. สิ่งเหล่านี้มันต้องได้คิดไว้หมดเหมือนกันถังนงถังน้ําทําความสะอา ด, ย yeah. ดอย่างไรแล้วพวกกันมดหุดกัน ปลวกทำยังไงแล้วประตูหน้าต่างพกผ้าม่านที่จะต้องปิดการฝนเราได้ทำไว้ ไ, วได้หรือค้นมากน้อยขนาดไหนวิธีใช้ใช้อย่างไรสิ่งเหล่านี้มันต้องได้ช่วยกันคิดทั้งหมดคือความเตรียมพร้อมพอในพรรษาแล้วเราก็ไปต่างองค์ก็ต้องต่า ง, งเข้าไปอยู่ ต่างองค์ก็ต่างภาวนาของใครของเรานะไม่ต้องจุ่งในการที่จะทําเสนาสนาะอะไรเลยไม่ใช่ว่าเข้าพรรษาไปแล้วแบบคนนั้นก็เคาะป่งๆคนนั้นก็เคาะปังๆคนนั่นก็ทํออาอะไรต้มเออะไรจุงเหยือกวุ่นวายไปหมดในพรรษาทั้งที่จะสงบงกเงียบทั้งที่จะภาวนาต่างองค์ต่างองค์ต่างภาวนาต่างองค์ต่างสละยายต่างองค์ทําทําให้สบายสบายวัตถุ ในหน้าแล้งเราทํามาจนเหนื่อยพอแรงแล้วหน้าฝนน่าจะหยุดแต่แล้วต่างองค์ก็ต่างอยู่แล้วต่างองค์ก็ต่างภาวนาของใครของเราแล้วต่างองค์ก็ต่างประจําการเรื่งความภาก ค, ความเพียรของใครของเราเนี่ยพระเก่าน่าจะเป็นตัวอย่างอย่างนั้นเป็นตัวอย่างของพระใหม่ส่วนพระใหม่เนี่ยพอเมื่อเข้ามาศึกษาก็จะได้เรียนรู้ว่าการบวชเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนคารวะ ฆราวาสเขาต้องเตรียมตัวทําการทํางานกีดยงกีดอย่างขุดดินถางไม้ถากหญ้าไปลัศนัยยานอันนี้ก็คืองานของฆราวาสแต่งานของพระเนี่จุดเด่นของพระนะี่คืออะไรให้นั่งภาวนาอย่างาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานเราไม่เห็นพระทํางานกลางวันเงียบต่างองค์ก็ต่างอยู่ในห้องก็นั่งภาวนาดูใจของตนเอง ไม่ใช่นอนทั้งบีทั้งวันไม่ใช่นะเขาไปก็นั่งภาวานาพุโทโธพุโทโธพุโทโธดูใจของตนเองกําหนดดูใจออกจากดูใจแล้วเอาทองหนังสือดูหนังสืออ่ า, น, น, อออากกนหนังสือออกเชียงกันนั่งภาวานาออกเฉียงตั้งภก็เดินยังกลมพอยังกลมก็ขึ้นไปนั่งสรุปแล้วก็คือให้ดูใจดูนามธรรมดูใจที่ตัวบังคับอยา ก, ยากเลยตัวใจนั่นนะ่ะพาร้องหม่มร้องให้เจ้าโศกโศกา ในตัวมีอะไรอะไรตัวมีอะไรที่มากมายที่คนทุกเดือดร้อนเนี่เพราะใจใจของเรานะั่นะไม่ได้รับการอบรมไม่ได้ไม่ได้รับการฝึกฝนไม่ได้รับการรับการแนะนำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์นั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อในพรรษานะเนี่ยราต้องดูใจเข้ามาฝึกภาวนามาเข้ามาสู่วัดวาศาสนาคราวนี้มาดูใจ ดูนามะธรรมการเคลื่อนไหวของใจเ อ, อหรักลของพุทธศสาสนาพระพุทธเจ้าให้ดูใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจต้องฝึกฝนใจเอาธรรมะเข้ามาบังคับจิตใจเข้ามาฝึกฝนใจบังคับให้อยู่กับสมาธิกำหนดให้อยู่พุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทโธแต่ละวันเดินลงมากับขาขวาพุทขาซ้ายโธถึงจะมาฉันน้ามาปัดกวาดมาบินทบาทตอนเช้า พุโทโธพุโทโธดูใจตัวเองนั่นแหละคือพระที่สมบูรณ์แบบปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุธทธเจ้านั่นละคือหน้าที่ของพระที่แท้จริงเรื่องการงานข้างนอกเป็นเครื่องอาศัยแต่เราไม่ทำก็ไม่สมบูรณ์เมื่อเราทาแล้วขนาดใดขนาดหนึ่งก็เพียงพอแต่ส่วนหัวใจจริงๆที่จะเออ ทำให้ตัวเองพ้นทุกพ้นโลกสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือภาวนาจุดใหญ่ของพระคือจุดประสงค์ของพระอืจุดหวัวใจของพระพุทธศาสนาเนี่ยให้พวกเรารู้ว่าคือให้ดูใจให้ภาวนานะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างการทําการทํางานของเขาเขาก็มีจุดหมายปลายทางของเขาเขาทํางาน เรื่องนี้ให้สำเร็จเพื่อการค้าแล้วก็เพื่อการเงินเพื่อวความพาสุขของเขามันต้องมีจุดของแต่ละคนแต่ละการงานแต่ละบริษทัททางร้านอันนี้พุทธศาสนาเนี่ยจุดประสงค์ใหญ่ของพระพุทธเจ้าให้พระสงค์ให้พระสงค์เข้ามาศึกษาเข้ามาบวชและทำตนอย่างไร นี่แหละพวกเราให้ศึกษาในจุดนี้นะศึกษาพุทธประวัติก่อนก็ได้เนีประพุทธประวัติคือประวัติของพระพุทธเจ้าท่านทําอย่างไรจากนั้นก็นมาศึกษาภาษาวกิเนี่ยสาวกก็คือผู้เจริญรุ่งสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรแล้วท่านปฏิบัติอย่างไรจากนั้นก็นมาฟัง ทำเมล็ดขิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประวัติแต่ละองค์ประวัติหลวงปู่มั่นประวัติหลวงปู่เสาประวัติหลวงปู่ต่างๆตลอดถึงประวัติหลวงตาหมาบัวประวัติหลวงปู่ล่าท่านทําอย่างไรในยุคปัจจุบันอันนี้เราก็ต้องศึกษาพอศึกษาแล้วก็เราก็นําประยุกต์พระธรรมคําสอนทั้งทั้งขั้นพุทธการทั้งปัจจุบันนั้นนำมาประยุกต์ใช้กับตัวของเราจากนั้นเราก็จะได้เดินทาง เดินแนวทางที่ถูกต้องเป็นธรรมนะแล้วก็รู้จักจุดหมายปลายทางด้วยว่าหลักของพพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่มีจุดหมายปลายทางยังไงจุดประสงค์อะไรที่สูงสุดเนี่ยเราจะรู้ได้นะพเราแล้วได้รับการศึกษาจากนั้นก็นลงมือประพฤติปฏิบัติดยเป็นไปได้ไหมที่ท่านทาไปนะหรือว่าโกหกโ ก, โ ก, กันมาเป็นทอดทอดตรวจตองเลยสิ ถ้าเราทําจริงทําจังมั่นใจเลยว่าต้องเจอของจริงจิตเข้าสู่ความสงบนั้นเป็นอย่างไรเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบนเท่านั้นแหละความสงสัยทั้งหลายทั้งปวงจะหายปิดทิ้งไปทั้งหมดโอ้โหทําไมพระพุทธเจ้าท่านจึงค้นคว้าศึกษาจะทําไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงให้พาทำอย่างนี้ แต่เราเจอความสงบเข้าไปแล้วมีแต่ความสุขสมกับคําที่พระพุทธเจ้าว่านัตถิสันติเนี่ยปรังสุขขังบางคนบอกปลัมมังสุขขังแต่บางแห่งว่าปรังสุ ข, ขังแต่หลวงพ่อก็ได้พูดทั้งสองอย่างบางทีก็บอกปละลัมมังบางบางทีก็บอกปรังบ้างเนี่ยแต่ถูกจริงๆก็คืออะไรหลวงพ่อก็ไม่ได้เรียนบาลีกับเขาเออเอาเนื้อหาสาระก็แล้วกันว่า ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มนะีคือความแปลออกมาว่าอย่างนั้นนะบัดนี้พวกเรานะ ต, ออตั้งใจให้รู้จักจุดหมายปลายทางของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะจุดหมายใหญนะ่เอานตน่อไปรับพรอนโมทนาให้พร